วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลคณะสงฆ์ทั้งสองอำเภออำเภอนาโสมและอำเภอนายุงได้ไปกราบคารวะครูบาอาจารย์ตามวัดต่างๆที่มีอายุพรรษาในท้องถิ่นของพวกเราในขณะนี้ได้เข้ามาถึงวัดหลวงพ่อแล้วก็มีคณะศรัทธาญาติโยมมากหน้าหลายตากับพร้อมกับพระสงฆ์ได้มาพร้อมกันได้ทำคารวะ คำว่าทําวัดหรือคาระวะถ้าหาว่าพูดอย่างภาษาทางภาคกลางหรือว่าภาษาทางทั่วไปเขาว่าทำวัดคือทําวัดเช้าทําวัดเย็นแต่นี้ทางพระกรรมาฐานเขาว่าไปทำวัดเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าไปทำวัดก็คือไปคาระวะไปกราบคาระวะครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษาในท้องถิ่นที่พวกเราเคารพนับถือไปวัดนั้นไปวัดนี้ไปเข้าไปแล้วก็ไปทำ พิธีอย่างที่พวกเราทําเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกเทเรปมาเทนะทวารตะเยนขตังหรือว่าถ้าท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่พระผู้เฒ่าอายุพรรษามากอย่างองค์หลวงตามหาบัวอย่างเนี้ยเขาบอกมหาเทเรปมาเทนะถ้ามีอายุพรรษาไม่มากก็ว่าอาจารย์เปมาเทนะลักษณะอย่างนั้นสรุปแล้วก็คือข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาทพลาดพั้งพระคุณจั้น หรือท่านพระอาจารย์หรือท่านพระมหาเถระหรือท่านพระเถระด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขอท่านเอาหัสีให้พวกข้าพเจ้าด้วยพวกข้าพเจ้าจะได้สำรวมระวังต่อไปอันนี้ก็คือเป็นการทำวัดหรือคาระวะแต่นี้ทั้งฝ่ายพระเถระที่ท่านได้รับอย่างลุงพ่อได้รับผมพ่อเออเอาพวกท่านทั้งหลายได้ประมาทผมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ผมก็ยินดีโอโหสีให้แก่พวกท่านและก็พร้อมกันถ้าว่าผมได้ประมาทพวกท่านด้วยกายด้วยวาจาและพอไปกราบขึ้นมากับปามาดในใจพอใจหนึ่งก็กราบเคารพแต่ใจหนึ่งก็ประมาทแผลบออกมาอันนี้เป็นวาใจที่มีสอนเร้นด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะกิเลสโมหนะมันเล็บออกมามันออกมากัดว่างั้นเถิดจิตประเภทหมาบ้ามันมีอยู่กับทุก ดวงวิญญาณมีแต่ใครมากน้อยต่างกันแต่บางคนก็ได้ออกมาพูดให้ฟังเหมือนกันว่าใจของผมเนี่ยทาไมทั้งไปกราบเห็นครูบาอาจารย์ขึ้นมาแล้วพอกราบขึ้นมาแล้วแต่มันทําไมกระโดดออกมามันออกมาเลยด้วยความประมาทก็คาดไม่ถึงเหมือนกันทําไมใจของเราเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เคยได้ยินอันนั้นแปลว่ามันห้ามไม่อยู่มันกระโดดโลดเต้นออกมาเต็มที่ว่างั้น cả. แต่แต่ตามไม่จริง ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาหักข้ามเราก็ควรจะว่าแกดีอะไรทําไมจึงไปประมาทคนอื่นแกมีดีอะไรถ้าแกมีดีกว่าคนอื่นเขาไปประมาทคนอื่นอันนั้นถูกต้องอันนี้แกชั่วเฉันชั่วอยู่แล้วยังไปประมาทคนอื่นแสดงว่าแกนี่ชั่วหลายชั่วชั่วเพรกันเถอะ เ, เพราะนั้นอันนี้ก็ต้องเบรกตัวเองเอาไว้เพราะนั้นดีหรือชั่วเป็นของท่านเองเป็นเรื่องของท่านเอง เ, ออเราจะไปปาหมาทจะไปให้ ดูถูกเหยียดย้มหรือว่าปลามาท่านอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสคือความไม่ถูกต้องอย่างมากอันนี้ก็คือการหักห้ามทางจิตใจแต่ก็ยังว่านะมันห้ามยากแต่ถึงยังไงก็ต้องห้ามเพราะการกระทําหรือการคิดเช่นนั้นเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์คือถ้าว่ามีความประมาทในจิตในใจแล้วต่อไปไม่ก็การกระทํากระด้างกระเดืองต่อไปก็ออกมาทางาคําพูดฉบประมาท มันจะออกมาเป็นตามลําดับไปเพราอ้นั้นการที่จะห้ามทางจิตใจนั้นเรื่องของท่านเรื่องของเราเรื่องของสรรพสัตว์ต่างคนต่างมาต่างคนต่างเกิดต่างคนต่างไปกลัมของใครของเราใครทําดีก็ได้ผลของกลัมนั้นใครทําชั่วก็ผลของกลัมของใครของเราเราจะไปก้าวกายเราจะไปให้คะแนนเขาเราจะไปลงโทษแก่ท่านไม่ถูกต้องเราดีกว่าเขาใช่ไหมเลิอดกว่าเขาใช่ไหม ประเสริฐว่าเขาใช่ไหมเป็นครูสอนของเขาใช่ไหมเป็นเฉยิมผูรู้แย่งกว่าใครทั้งหมดใช่ไหมถ้าถามเขามาหาตัวเองตัวเองก็โง่แสนโง่เหมือนกันแต่ทําไมจึงไปหาประมาทคนอื่ น, นสิ่งเหล่านี้นี่คือเป็นวิธีการหักห้ามใจของตนเองนี่พูดเรื่องวิธีหรือว่าการคารวะเป็นแนวทางอย่างนี้และก็พร้อมกันก็หลวงพ่อ ได้อธิบายเรื่องวิธีการกจิตใจของมนุษย์ของเราที่มีกิเลสโดยมากมันจะแถมออกมาอย่างนั้นมันจะกระโดดออกมาอย่างนั้นฝอะอนั้นให้ดูให้ดูใจของพวกเราแล้วก็ในพรรษานี้ผมเองก็ขอบอกกล่าวพวกพระ น, น้องนุ่งทั้งหลายที่มาคราวะกันล้วนแล้วแต่มีอายุพรรษาน้อยกว่าทั้งหมดที่มา อยู่ที่นี่ถึงจะมีอายุแต่พรรษาก็น้อยกว่าผู้ที่บวชทีหลังกะถือว่าน้องเพราะเราเป็นสากยบุตรพุทธชินนรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้าลูกพระพุทธเจ้ามีผู้ใหญ่มีผู้น้อยอันดับแรกก็คือโกนธัญยะวัปะพัติยามหานามะอจชิชิต่อมากระเลียงลำดับลงมาเรื่อยๆจนมาถึงผมผมก็มาถึงพวกท่านทั้งหลายเรียงลาดับลงไป กันล้วนแล้วจะเป็นศักยบุตรของพระพุทธเจ้าด้วยกันเพราะนั้นพี่น้องที่มาพบมาเจอกันก็ควรจะแนะนำหรือว่ากล่าวสิ่งไหนที่มันจะเป็นพิษเป็นภัยก็ได้พูดได้กล่าวได้แนะนำทมสอนกันตามที่ได้พบได้เจอได้เห็นเพราะนั้นผมในฐานะพี่ได้มาพบน้องๆทางหลายที่มาคารวะผมในวันนี้ก็ขอให้พวกน้องท้งหลายทุกอง ให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยสิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องก็ให้สำมรวมให้ระวังอย่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องคำว่าไม่ถูกต้องนั้นมันมีที่ลับมันมีที่แจ้งถ้าหากว่าเราทำในที่ลับมันก็ไม่ดีทำในที่แจ้งก็ไม่ดีเพราะเหตุใดเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วความชั่วถึงจะทาในที่ลับถึงทาในที่แจ้งก็ไม่ดีทั้งนั้น ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองถ้าคนอื่นไม่รู้ตัวเรารู้ว่าเราทําอะไรเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราให้สังเกตให้ดูตัวเองว่าสิ่งที่มันชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าเพราะในโอวาทปัปปติโมกที่เราสวดว่า อ, อ, อากาศตังรุกตังเสยโยปัชฌาตปฏิรุกตังกรรมชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผลาญเมื่อภายหลัง ถ้าว่าใครทำในขณะที่ทำก็ไม่รู้แต่ว่าเมื่อทำไปแล้วกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผานตามภายหลังเหมือนกับคนที่ไปกดไปโกงไปป้นไปจี้ไปข้าฟันรันแทงผู้อื่นแคิดว่าตัวเองฉลาดคิดว่าตัวเองเอวางแผนไว้ดีแล้ว็ไปทำร้ายไปทำลายทำผิดกฎหมายก็คิดว่าใครจะไม่รู้แต่พอกฎหมายเข้ามาถึงแล้วก็ วิ่งหนีหัวซุกหัวซุนถูกจับไหมใส่โทษเข้าคุกเข้าตารางมามากต่อมากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สรุปแล้วก็คือในธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกตรัสไว้ว่าอากตาตตังรุกตังเสื่อยโยนั่นเองเอกรรมชั่วจะทําเส่นเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผอผันเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านพระทุกๆองค์ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาขอให้ตั้งอกตั้งใจ แล้วก็เฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนวะกะที่เขามาบวชเสียสละไปลำเวลาเขามาบวชตามวัดต่างๆก็คงจะมีอยู่บ้างที่มาในที่นี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่เขามาบวชให้ตั้งอกตั้งใจจริงเพราะว่าท่านประสบการณ์มาทางโลกก็ผ่านมามากพอสมควรเมื่อเขามาบวชแล้วก็ขอให้ท่านตั้งใจอย่าไปนำสิ่งที่มันไม่ดีเข้ามาแนะนาเข้ามาสอนพระที่อยู่ในวัด ทำให้เสียหายเกิดขึ้นได้อันนี้ผมเองเป็นห่วงเหมือนกันในฐานะที่ผมเคยประสบการมาผมเคยรู้มาแต่ถ้าว่าพระนว ก, กะเข้ามาแล้วก็โดยมากพระเนนที่เข้ามาบวชเข้ามาแล้วบวชเก่าแล้วก็พระใหม่เข้ามาแล้วก็มาพูดมาสอนธรรมดาแต่มันติดจิตติดใจทำให้พระเนนในวัดไข้เวีต เสียสมาธิเสียความการทรงตัวก็มีมากต่อมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นการพูดอย่างนั้นการกระทําอย่างนั้นการแนะนํำอย่างนั้นเป็นบาปอากุศลนะนี่แต่พยายามให้พระเนนอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเราเข้ามาบวชก็ให้รู้จักหน้าที่ว่าเราเข้ามาบวชเนี่ยมาบวชเพื่ออะไรทําไมจึงบวชเราบวชมาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้พ่อให้แม่ แทนบุญคุณของพ่อของแม่ของพวกเราเพราะนั้นการที่เข้ามาบวชนั้นเราก็ตั้งอกตั้งใจเอาจริงๆเพรแต่พอเราเข้ามาบวชแล้วก็เพื่อปฏิบัติศีลธรรมเหมือนกับเราไปทำมาค้าขายต่างประเทศนั่นะแต่ถ้าว่าเราไปต่างประเทศเราขี้เกียจขี้ขขคล้านเราไปทำการทำงานเราจะได้เงินเดือนหรือจะได้เงินตอบแทนอย่างไรแต่ถ้าว่าเราไปต่างประเทศแล้วเรามันขยัน อันดับแรกเราก็ส่งเงินคืนกลับมาบ้านใช้นี่ใช้ศินจากการขอโทดแทนบูชาพระคุณของพ่อของแม่อันนี้เก็คือคนที่ไปทำมาค้าขายเป็นผู้ตะอกตั้งใจอันนี้ก็เหมือนการพวกเราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาถ้ามาบวชแล้วเป็นผู้มีศินตั้งอยู่ในศินตั้งอยู่ในธรรมตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งอกตั้งใจภาวนาตรงเมือ่อเราไปทํามาค้าขายบุญกุศลที่เกิดจากการรักษาศินของเรา บุญกุศลได้เกิดกาดจากจา ก, จากการนั่งสมาธิของเราเราก็แผ้วทิศส่วนกุศลถึงบรรพชนของพวกเราคือพ่อแม่ปูญญ่ย่าตายายวงศาคณาญาติญาติมิตรสหายบุญกุศลที่ข้าพรเจ้าได้ทําไว้ดีแล้วนี้ขอให้พวกท่านทาั้งหลายถ้าว่าเมื่อลมหายตายไปแล้วก็ขอให้พ้นจากทุกเน้อถ้ามีทุกถ้ามีสุขแล้วขอให้มีสุขยิงยขึ้นไปทางว่าพ่อแม่พี่น้องวงศาคณาญาติ ยังมีชีวิตอยู่ขอให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองด้วยอายุวรณนะสุขะภาล ะ, ะลาบยศสรรเสริญสุขอย่าให้มีทุกข์ด้วยอา น, นิสงส์บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บวชในตระกูลอันนี้คือการสั่งสมคุณงามความดีแล้วก็พร้อมกันก่ออุทิศส่วนกุศลด้วยความสบายอกสบายใจญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเข้ามาเห็นก็สบายอกสบายใจแต่ถ้าว่าเราทําตนไม่ดีเราจะอุทิศบุญกุศลให้เขาได้อย่างไร ขนาดตัวเองก็ยังเอาตัวไม่รอดเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพระนวกะลูกหลานทั้งหลายนะสําหรับพระเก่าก็เหมือนกันพระเก่าก็เป็นตัวอย่างที่ดีบวชเข้ามาแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติเพราะเราเป็นพระที่เป็นแนวหน้าที่เป็นคนชั้นนำํำของพระพุทธศาสนาฟังแต่ว่าอย่างที่พบกล่าวเบื้องต้วนว่าสากยบุตรพื่คือพวกเราเป็นบุตรของพระพุทธทเจ้าตั้งที่พวกเราเป็นลูกตาศีตาสาร แต่มีตามาที่ไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าว่าพวกเราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาอยู่ในยูนิฟอร์มนี้แล้วในพระพุทธเจ้าก็นับเนื่องว่าเป็นศาสตกิบุตรแต่ว่าเราจะเป็นบุตรที่ดีมากน้อยอย่างไงแค่ไหนอันนั้นสุดแท้แต่ความประพฤติของพวกเราถ้าว่าพวกเราทําตัวไม่ดีก็เป็นลูกเกเรเป็นลูกเกเรเป็นลูกนอกหอก เ, อเป็นลูกแหวกแนวพวกเราอยากจะเป็นคงจะไม่อยากเป็นอย่างนั้น พวกเราก็จะอยากจะเป็นลูกที่ดีของพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงค์เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะนั้นเราต้องตรวจตราดูให้ดีแล้วก่อนที่พวกเราเข้ามาบวชเป็นพระตาไม่จริงเราเป็นพระพระได้ อ, อมาจากโยมแต่ทำไมโยมเพราะจึงกราบลงเขาทำไมจึงกราบพระให้พวกเราคิดดูให้ดีทำไมโยมจึงกราบพระ พ่อโยมเขาทําอย่างพวกเราไม่ได้ประพฤติอย่างเราไม่ได้รักษาศีล227อย่างพวกเราไม่ได้เขาจึงกลาบแต่ถ้าว่าพวกเราทําตัวยิ่งกว่าโยมเขาอีกเออและเ ข, ลเขากลาบเขากลาบเพราก็มองอีกถ้าเราทําชั่วเขาเขาเขาก็กลาบไม่ลงอีกเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะไม่มีอะไดที่จะดีกว่าเขาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องตรวจตราพวกเราอยู่เสมอ อย่าไปคุกครีตีโมงให้ตรวจตราดูตนเองให้เสมอว่าเป็นผู้มีศีลให้มีสีราชรวัตรสมบูรณ์พร้อมกันก็ให้พร้อมมีศีลแล้วให้มีสมาธิด้วยพร้อมกันก็ให้เดินปัญญาด้วยอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกเอาไว้ว่าภิกษุในศาสนาของเราตถาคตตอนเช้าเมื่อปิบินทบาทมาฉันแล้วกลับมาเมื่อฉันแล้ว หาที่นั่งสมาธิเมื่อนั่งสมาธิให้พิจารณาถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาให้พิจารณาถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของตนเองแถ้าพระองค์ใดก็ตามสมณะใดก็ตามไม่คิดถึงความตายของตนเองแปลว่าไม่คุ้มค่าข้าว ข, ของชาวบ้านเขาเอ อ, อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเพราะนั้นพวกเราทุ ก, ท, กท่านที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาแล้ว ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจจริงจังแล้วก็พร้อมกันก็พวกเราก็ได้ศึกษาในธรรมะปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งผมอยากจะแนะนำหมู่พเพื่อนที่อยู่ในถิ่นฐานของพวกเราอำเภอนายูงอำเภอน้ำโสมเนี่ยเวลาดึกสงัดนะให้เปิดวิทยุฟังเปิดวิทยุฟังแต่อย่าไปฟังอย่างอื่นนะฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตา องคหลวงตามหาบวณกลางคืนจะเน้นหนักเรื่องธรรมเทศนาเรื่องภาคปฏิบัติตั้งแต่สองทุ่มขึ้นไปจนถึงตีห้อันนี้คือผมเองได้เกี่ยวข้องกับสถานีผมได้เอาธรรมเทศนาขององค์หลวงตาลงกลางคืนเพราะจะแนะนําจะเน้นหนักสําหรับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเรื่องจิตตภาวนาเพราะฉนั้นผมที่เข้าไปศึกษากับครูบาอาจารย์ือศึกษากับองหลวงตาเป็นเวลา สิกว่าปีนั่นแะนี่แหละที่ท่านเอามาพูดกลางคืนนี่แหละให้พวกหมู่พวกเพื่อนพุกองค์นะให้ตั้งใจฟังออกับการฟังกลางคืนให้นั่งสมาธิแล้วก็ฟังด้วยความตั้งใจเราจะฟังวันละกันก็ได้ออพอตั้งใจฟังการนี้ขึ้นมาเอาตั้งใจฟังพอฟังแล้วก็ปิดสถานีวิทยุแล้วจะนั่งต่อก็ได้ออหรือจะพักผ่อนไปเลยก็ได้ออนี่แหละคือฟังให้จริงให้จัง ไม่ใช่บ่าคุยกันแล้วก็ฟังนอนแล้วก็ฟังฟังไม่จริงจังต่อไปก็เป็นเหล็กก้นเต่าทีนี่ไอ้มันดื้อมันด้านต่อทำคําสั่งสอนมันดื้อมันด้านต่อเสียงธรรมทีนี้ยิ่งร้ายใหญ่เลยทีนี้ไอเพราะนั้นการฟังให้เป็นกิจกลักษณะให้นั่งฟังด้วยดีไอ้ผมว่าจะเกิดประโยชน์สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายในลักษณะที่ว่าสุ ส, สังลัสเตปัญญ์ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาไอเพราะนั้นการ ตั้งใจฟังนะจะเกิดจติตเกิดปัญญาสําหรับพวกเราจะเป็นแนวความคิดในภาคปฏิบัติของเราดีทีเดียวผมรับรองได้อย่างนั้นเพราะนั้นขอให้หมู่พวกเพื่อนตั้งใจฟังนะเป็นจริงอย่างที่ผมพูดไหมผมมั่นใจเพราะว่าสถานีของหลวงตาเนี่ยกลางคืนตั้งแต่สองทุ่มถึงตีห้าเนี่ยเป็นธรรมะภาคปฏิบัติทั้งนั้นแต่ตอนกลางวันอาจจะเป็นก เรื่องครูบาอาจารย์องค์นั้นบังองค์นี้บงังแกงหม้อใหญ่บางมีอะไรบางประชาสัมพันธ์อะไรบ้างอันนั้นเป็นธรรมดาแต่ตกกลางคืนผมบอกกับคณะกรรมการแล้วให้ลงลธรรมเทศนาล้วนๆไม่ต้องให้มีอะไรโฆษณชประชาสัมพันธ์อะไรทั้งหมดมีแต่ธรรมะต่อต่อตอกันไปเลยแล้วก็ธรรมะขององค์หลวงตาที่กะกะเอามานี่ก็ประมาณเกือบจะเป็นพันกัน ที่หมุนเวียนกันอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก็พยายามจะเอาให้ลงมากกว่านั้นคือไม่ให้ซ้ำกันเลยในปีหนึ่งกะไว้ถึงขนาดนั้นว่างั้นอ่ะเพราะนั้นผมว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกพระลูกหลานน้องลุงทั้งหลายให้ทั้งใจฟังสำหรับปฏิบัติถือว่าเป็นแนวทางได้ทีเดียวสำหรับวิถีทางเดินของสมาธิปัญญาแต่ท่านจะพูดเรื่องศีลพูดน้อยมากจากอย่างที่เมื่อวัน12สิงหาเนี่ย หรือท่านก็พูดอย่ที่ผมพูดเบื้องต้นนั่นอ่ะเนียอย่าไปทําสิ่งที่มันไม่ดีเน่ถ้าทําสิ่งที่มไม่ดีแล้วไม่มีใครรู้ตัวของเรารู้กว่าใครทั้งหมดท่านว่าเนี่ยนี่ก็อันนี้ก็คือเกี่ยวกับศีลแต่เรื่องสมาธิก็ให้ท่านก็เน้นหนักเรื่องทําจิตให้สงบนี่แหละเป็นพื้นฐานถ้าหาว่าจิตของเราไม่เป็นสมาธิจิตของเราไม่สงบจิตของเราปุ่งฟุ้งซ่าน จะนำมาพิจารณาทางด้านปัญญามันจะเป็นแต่สัญญากับสังขารความปรุงแต่งเท่านั้นเองมันจะไม่เป็นสมาธิจะไม่่มันจะไม่เด็ดขาดเ่เพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกผ้าลูกผ้าหลานทั้งหลายเน้นเรื่องสมาธิให้ได้การทำสมาธิมีหลายๆวิธีแต่ยอย่างกำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่างนี้อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเออคือเป็นกรรมาฐานของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนมาและก็พร้อมการถ้าว่ามันยังมีส่วนที่จะเล็ดลอดออกไปเราจะกําหนดหายใจเข้าพุทธหายใจด้วยและก็เห็นหัวใจของตนเองเต้นด้วยพร้อมกันเพื่อไม่ให้มันเพื่อไม่ให้มันออกไปในขณะที่มันคิดปรุงอย่างนั้นก็ได้หรือจะกําหนดภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธคือขณะที่ใจมันจะคิดให้มัน สำทับกับพุโทโธตลอดไปเลยอย่างนั้นก็ได้อันนี้ก็คือวิธีการที่จะทํำยังไงทําจิตให้สงบจากนั้นถ้ามันยังเป๊ะลอดออกไปอยู่เราจะนับก็ได้ทิ้งหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองหายใจเข้าสามหายใจออกสี่หายใจเข้าห้าหายใจออกหกนับไปเรื่อยนับถึง10บแล้วกลับมานับหนึ่งใหม่แล้วก็ถึง10นับหนึ่งใหม่ แต่ถ้ามันยังมันยังหลงมันยังเผลอไปอยู่นับไปอีกนับไปถึงร้อยทีไหนเออเราจะรู้ได้อย่างไงว่าจิตมันเผลอหรือไม่เผลอคือหนึ่งนับหนึ่งนะหายใจเข้าหนึ่งคือเลขคี่หายใจออกสองมันเป็นเลขคู่หายใจเข้าสามมันเป็นเลขคี่หายใจออกสี่มันเป็นเลขคู่นะถ้าเรานับไปถึงร้อยถ้าใจของเรานับไปถึงร้อยไม่หลง มันเป็นเลขคี่เลขคู่เลขคี่เลขคู่เลขคู่คแตจนถึงร้อยพอถึงร้อยก็เป็นเลขคู่อ้าแสดงว่าสมาธิของเราเนี่ยดีหนึ่งนาทีแล้วงั้นนับถึงร้อยนะประมาณหนึ่งนาทีแล้วก็นับถึงร้อยอีกกลับมานับถึงร้อยอีกอสักสสามสี่ห้าครั้งถ้ามันไม่เผลอนะแสดงว่าจิตของเราเริ่มเริ่มเป็นสมาธิเข้ามาอยู่ในระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าว่าจิตของเราปุ่งฟุ้งซ่านนะมันจะนับไม่ได้นะพอนับเข้าไปเนี่ย หายใจเข้าสามสิบสองหายใจออกสามสิบสามแสดงว่ามันเคลื่อนแล้วหายใจเข้ามาเป็นเลขคู่หายใจออกไปเป็นเลขคี่เอ่แสดงว่าคือมันเป็นมันผิดแล้วง้นเถอะหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองนเพราะนั้นให้พวกเราสังเกตวิธีการทำสมาธิมีหลายวิธีจะทำยังไงจิตของเราจะสงบเวลาเดินก็เหมือนกันเวลาเดินบิดาบัรไกลๆเราอย่าไปคุยกัน เวลาเดินจงกรมกระตางองค์ต่างไปเราไม่ใช่ขอทานในตอนเช้าเราไปบิณทบาทโปรดสัตว์โปรดญาติโปรดโยมเราต้องเดินจงกรมขาขวาพุธขาซ้ายโถ่พุทธโถพุธโถโถ้ถามันยังเผลอเรานับขาขวาหนึ่งขาซ้ายสองขาขวา3ามขาซ้าสนับ4ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามี่ห้าหก็ดแดเกขาซ้ายเนี่ยเป็นเลขคู่ตลอด ขาขวาเป็นเลขขี้ตลอดจากนั้นเราก็ น, นับไปถึงร้อยดูสิเออขาขวาเนี่เป็นเลขขี้ตลอดขาซ้ายเป็นเลขคู่ตลอดจนถึงร้อยถ้าว่าเราไม่เผลอแสดงว่าเราใช่ได้เอออันนี้แหละคือวิธีการจากนั้นเราจะกลับมาภาวานากำหนดลมหายใจเข้าออกด้วยขาขวาพุทธขาซ้ายโทนจะจับได้ง่ายอันนี้คือวิธีการนะบอกวิธีการ ไม่ใช่ว่ากาหนดลมหายใจกับพุทธโธพุทธโธขาขวาพุทขาซ้ายโธอย่างเดียวเราไม่ได้คิดพิกแพงเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติของพวกเราใจของเราก็ไม่ก้าวหน้าสมาธิของเราก็ไม่เดินหน้ามันก็อยู่อย่างเก่าเพราะนั้นผมแนะพวกพระเนเ อ, อน้องนุ่งทั้งหลายให้ทำอย่างที่ผมทําที่ผมแนะนำดูซิเป็นยังไงคิดว่าผมแนะนาไม่ผิดก็แล้วกันสรุปแล้วก็คือ จะเป็นกรรมฐานอะไรก็ตามจะกำหนดยังไงก็ตามถ้าจิตสงบได้แปลว่ากรรมฐานนั้นใช่ได้อย่างเติงเสียวผิงเขาบอกนะจะเป็นแมวสีอะไรก็ได้ถ้าจับหนูได้แปลว่าใช่ได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าเราจะกรรมฐานไหนก็ได้จับจิตให้อยู่ทำจิตให้สงบได้กรรมฐานนั้นใช้ได้เพราะนั้นที่เราจะทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งเนี่ยเราจะทำยังไง ในเมื่อจิตของเราสงบเป็นหนึ่งเป็นพื้นฐานแห่งความสงบแล้วจากนั้นเรามาพิจารณากรรมฐานเถิดกําหนดกรรมฐานหเกสาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังอ่จากนั้นไล่เข้าไปมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผื่นไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเรานี่มีโครงกระดูกเป็นโครงสร้างใช่ไหมร่างกายของเรามีกระดูกเป็นโครงสร้างข้างในใช่ไหม ถ้าถอดกระดูกออกหมดแล้วร่างกายจะเป็นยังไงเ อ, อเหมือนกับกระเป๋าหนังเ อ, อมันหย่อนย้ ว, เวยเย้ไปหมดดูอย่างนี้ใช่ไหมนี่แหละร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือร่างกายของเรากระดูกเป็นโครงสร้างให้เราพิจารณาให้ใจพิจารณาเอาใจพิจารณาสรุปแล้วก็คือคําว่าเราเราในคํานี้คือใครเราต้องแยกให้ออกคําว่าเราคํานี้ก็คือนามธรรม คือตัวผู้รู้คือใจร่างกายก็คือรูปประธรรมถ้าจะเปรียบเทียบให้ชัดเจนผมเปรียบเทียบอย่างอื่นก็ไม่ชัดเจนถ้าเปรียบเทียบใส่รถแล้วจะเห็นได้ชัดคือรถกับคนขับรถเห็นได้ชัดรถนี่คือร่างกายแต่จิตใจนี่คือคนขับรถนะี่เออคือนามธรรมคือจิตใจแต่ใจกับกายอาศัยกันอยู่แต่ตัวนามธรรมตัวนี้อาศัยกายแต่ถ้าว่า ร่างกายไม่มีนมามรรมเป็นผู้คุ้มครองเป็นผู้บังคับร่างกายนั้นก็ตายอยู่ไม่ได้จิตใจออกจากร่างไปแล้วร่างกายน่าจะมีแต่ชำรุดทรุดโทมตายไปเออถ้าว่าร่างกายมันทุกผลภาพร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายแตกสลายข้างในเออแต่จิตใจ ก, ก็ไม่บังคับไม่สามารถที่จะบังคับมันได้เหมือนกันเหมือนกับรถนั่นแหะถ้ารถลูกสูบมันติดฝีมือ โซเฟอร์จะดีขนาดไหนเอ่มันก็ไปไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะรถมันติดรถมันเสียอันนี้ก็เหมือนกันถ้ามนุษย์ของเราตับแตกสร้างหัวใจแตกซะร่างกายจะดีจิตใจของเราจะดีขนาดไหนมันก็ขับไม่ได้เพราะว่าร่างกายมันมันหมดสภาพแล้วเอ่แต่หากว่าร่างกายของเราดีอยู่อ่อใจของเราก็พึ่งพาอาศัยมันเอ่มันก็ไปในสถานที่ไหน ه, ก็ได้ตามกําลังความสามารถของมัน ه, ความสามารถของมันจะไปแทกที่ไหนได้ก็ไปได้เหมือนกับรถนั่นแหละจะให้มันโดดน้ํากับของโดดไม่ได้มันก็ตกไปตามถนนหนทางตามที่มันจะไปได้อันนี้ก็เหมือนกันสรุปแรกก็คือในร่างกายของเรามีอยู่สองในหลักของพุทธศาสนารูปธรรมและนามธรรมที่ผมพูดทั้งหมดว่าทําจิตให้สงบอะไรสงบไม่ให้ใจากายสงบ เรื่องร่างกายสงบนะคือนั่งขัดสมาธิกายสงบแต่ใจมันคิดปรุงฟุง้งซ่านเออแล้วเหยือลอยลมไปอังกฤษอเมริกาที่ไหนก็ไม่รู้แต่ทั้งที่นั่งหลับตานิ่งอยู่ร่างกายแต่จิตใจมันออกไปอันนั้นแปลว่ายังไม่สงบสงบแต่กายเท่านั้นแต่จิตใจมันยังปรุงฟุ้งซ่านอยู่ทํำยังไงจึงจะให้ใจสงบอย่างที่ผมว่ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนับ1239เดิน123าอย่างที่ผมได้กล่าว สรบแล้วก็คือให้ใจตรงนั้นอ่ะให้มันนิ่งให้มันสงบไม่ให้ปุ่งฟงส่านเมื่อใจสงบเป็นหนึ่งแล้วท่นี้นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาเกษาโลมานาขาทันตาตะโจพิจารณาเนื้อหนังเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจในร่างกายของเราว่าร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใจให้ใจทำความเข้าใจกับใจใจคือนามาทาตัวผู้รู้เนี่ยหลักของพุทธศาสนาเนี่ย เน้นหนักเรื่องของใจที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าอยู่ในป่าดงฟงไพ่ถึงหกปีที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ธรรมที่โคลนต้นโพนั่นท่านรู้ท่านค้นคว้าเอาใจค้นคว้านะเออท่านค้นคว้าใจของท่านนะเอาใจของท่านมาค้นคว้านะเออจากนั้นท่างก็บอกว่ามโนโปูพังขามาธรรมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็น ม, มีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเนี่ย อันนี้ก็คือ พ, พอผู้ใดเจ้าไปค้นคว้าอยู่ที่โคนต้นโพจากนั้นท่านก็รู้ว่าใจนี่แหละเป็นผู้บังคับกายทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีหรือมันจะชั่วออกไปจากใจทั้งหมดเพราะนั้นสมควรอย่างยิ่งใจจะต้องได้รับความอบรมจะได้รับได้รับการอบรมจะต้องได้รับการแนะนาพัมสอนจะต้องทำความเข้าใจเอาสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเข้ามาเห็นชอบคืออะไรให้เห็นตามความเป็นจริง อยากเห็นร่างกายของเราเนี่ยเจสาของไม่เที่ยงใช่ไหมตะกอนมันกับผมดาตอมันกับผมงอกเกสาผมขนองเหมือนกันเล็บองเหมือนกันฟันก็เหมือนกันหนังก็เหมือนกันสมัยก่อนตาของเราก็ดีต่อมากับฝ้าฟางหูของเราก็ดีต่อมากับหูตึงหูหนวกต่อมาฟันของเราก็ดีต่อมากับฟันหลุดฟันหลุดฟันล่วงต่อมาตะกอนหนังของเราก็ดี ต่อไปกับหนังเหี่ยวหนังยน่นร่างกายของเราตอก่อนก็ดีต่อไปก่หลังโก่งหลังค่อมผลในสุดอายุแก่มากขึ้นไปใช้ร่างกายใช้ร่างกายไม่ได้นอนอยู่ในเตียงนอนอยู่ในโรงพยาบาลยังมีสายอะไรช่วยใหย้หายใจเข้าไปอีกใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นร่างกายนี้เป็นของเราใช่ไหมร่างกายนี้เราจะอยู่ไปนานสักเท่าไหร่ เราได้คิดดูหรือยังใจอย่าไปหลงกายนะอีกสักวันหนึ่งนะร่างกายน่าจะต้องแตกสลายนะตายแน่นอนนะไม่เป็นอย่างอื่นน ะ, ะคือทําความเข้าใจกับใจนะเมื่อใจเห็นร่างกายว่าไม่ใช่ตัวตวนของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจของเราก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นรู้ตามความเป็นจริงในเมื่อเราเมื่อรู้ตามความเป็นจริงแล้วก็ถอดถอนกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในจิตใจของเรา ใจของเราก็เกิดความเบื่อหน่ายจิตใจก็หลุดหลุดพ้น เ, เพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นพราพิจารณาร่างกายแล้วนี่ร่างกายขณะร่างกายตัวเองยังไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งเขาต้องเอาไปเผาฝายทิ้งอย่างพวกเราท่านทั้งหลายทั้งหลายเห็นปู่ย่าตายายของพวกเราปวงสาคณนายาตของเรามิตรสหายของพวกเราไปเผากันไม่รู้ต่ ก, กี่คนต่ ก, กี่คนมาแล้วเราอีกสักวันหนึ่ง เขาจะต้องจัดการอย่างที่พวกเราไปจัดการกับเขาเไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราเราจะไปยึดอะไรมากมายนักหนายศถาบรรดาศักดิ์เลือกสวนไลนาสามีภรรยาลูกเต่าเล้าหลานทุกคู่ทุกคนถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นเราไปให้ความสำคัญสิโลตันว่าเป็นตัวตนของเราล้วก็เกิดราคะโทสะโมหะทีนีเ้เกิดถึงเกิดห ง, หงก์เกิด ทะเลาะวิวาทเกิดอะไรมากมายอย่างที่พวกเราเห็นทุกวันนี้พราะถือสําคัญว่าร่างกายเป็นของเราแต่ถ้าว่าพวกเราเห็นร่างกายตัวเองว่าเออขนาดร่างกายของเรายังไม่ใช่ของเราเราจะไปยึดของสิ่งอื่นว่าเป็นของเรามันไม่ถูกนะใจนะต้องถามบอกใจอย่างนั้นต้องรู้นะว่าสิ่งอื่นทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนของเรานะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในสถานะไหน เราเป็นครูบาอาจารย์เราก็ทําหน้าที่ครูบาอาจารย์ให้ดีที่สุดในเมื่อเราเป็นสิทธ์เราก็ทําหน้าที่สิทธ์ให้ดีที่สุดเมื่อเราเป็นอยู่ในสถานะไหนเป็นพ่อค้าประชาชนหรือเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้าเราก็ทําหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดเอออย่าไปโกรธจะไปโมโหโทสโศมากจนเกินไปอจะไปโกรธเขาเขาโจรเกินไปบางคนก็โกรธโกรธโกรธเนี่ยโกรธไปเพื่ออะไรโกรธเพื่อให้โง่ทําไม อีกสักวันหนึ่งต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็ต่างตายไปไม่เห็นใครจ ะ, จะไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้นําธรรมะทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาเบรกจิตใจของพวกเรากิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะในจิตใจกิเลสความโลภโกรธหลงในจิตในใจเออมันก็จะมีเบรกห้ามล้อเอาไว้จะไม่ให้เกินประมาณเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธศาสนาธรรมะของพระพุทธเจ้ามีมากมายสําหรับ สอนพระให้ผู้อยู่เบื้องในผู้อยู่ข้างในให้พิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือคณะศรัทธาญาติโยมจะนําไปประพฤติปฏิบัติจะนําไปประพฤติกับตัวเองก็ได้แต่เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเป็นธรรมะที่ปล่อยวางเป็นธรรมะธรรมะที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเอออันนี้เป็นที่พระพุทธเจ้าสอนพระแต่สาหรับพี่น้องประชาชนญาติโยมเท่นี้ ถ้ามาพูดถึงศรัทธาญาติโยมพุทธิบริษัทสี่อุบาสกอุบาสิกาที่อยู่เบ้างนอกโดยมากพระพุทธเจา้าก็สอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาพวกสู้เจ้าอยู่ทางนอกเนอะให้บำเพ็ญทานศีลภาวนาเนอทานคนไม่มีทานคนไม่มีการเสียสละจะไม่มีพี่มีน้องเพื่อนฝูงเนอถ้าว่าคนมีทานจะมีวงสาคณนายาตในภพนี้ชาตินี้ เออก็อยู่เย็นเป็นสุขเมื่อล้มหายตายจากไปไปเกิดพบหน้าชาติหน้าอา น, นิสงทานจะเกือ้อกูลหนุนพวกท่านพวกท่านจะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยที่เราตถาคตพระพุทธเจ้าตรันวู้ที่เราตถาคตที่ได้ตรัสรู้มานี้ก็เพราะอา น, นิสงทานข้าพเจ้าได้ทานเกิดมาพบใดชาตใดขนาดเป็นพระเวชชันดอนเจัดเป็นมหาทานในก่อนหน้านั้นเราทาน มามากต่อมากทานะคือการเสียสละของเราเพราะนั้นการทานเป็นน้ำเชื่อมที่อยู่ด้วยกันในเพื่อนมนุษย์แต่ถ้าว่ามนุษย์ไม่มีการให้ทานไม่มีการเสียสละต่อกันมนุษย์จะอยู่ด้วยกันลำบากเพราะเหตุไรเพราะมนุษย์เห็นแก่ตัวไปที่ไหนก็มีแต่อยากจะโลบเอาของเขามาเป็นของตัวเองไปที่ไหนใครๆก็กลัวทั้งหมดไม่อยากจะเข้ามาใกล้ไม่อยากจะให้ใกล้ใกล้เราเพราะเหตุไรเพราะว่ามันมีแต่โลภ แต่ไม่มีการเสียสละเพราะนั่นการเสียสละคือการทำทานเป็นหน้าที่ของเพื่อนมนุษย์ชาติที่อยู่ด้วยกันให้อภัยทานให้วิทยาทานแนะนําสั่งสอนอันนี้ก็เป็นการให้ธรรมทาน อ, อให้อารมิตรทานอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าว่าคนไม่มีการเสียสละไม่มีการทำทานหมูหมากาไก่ก็อยู่กับเราไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะเราไม่ให้ทานไม่เสียสละให้แก่เขาลูกเต้าเล้าร้านก็อยู่กับเราไม่ได้เพราะเราไม่ มีการเสียสละให้แก่เขาเพราะฉะนั้นทานเป็นน้ําเชื่อมหรือเป็นยาเป็นเครื่องทําให้มนุษย์อยู่ด้วยกันสงบพร่อมเย็นเป็นสุขนะศีลคือรักษากายวายใจให้เรียบร้อยาาคือสําหรับฆราวก็คือศีลห้าศีลห้าประการเป็นศีลคุ้มครองโลกถ้าว่าโลกทั้งหลายขาดศีลห้าข้อนี่โลกทั้งโลกจะเดือดร้อนหุนวายนะเพราะเหตุใดเพราะไปที่ไหนมีแต่คนจะฆ่ากัน ไปที่ไหนมีจะฆ่ากันมีจะจะเบียดเบียนกันโลกทั้งโลกจะหาความสงบพร่มเย็นเป็นสุขได้อย่างไรถ้าโลกทั้งโลกไปที่ไหนมีแต่เมตตาต่อกันเชิดถึงใจเขาใจเราถ้าเราไปฆ่าเขาฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียเขาฆ่าวงสาคณาญาติของเขาเขาก็เสียอกเสียใจถ้าเขามาฆ่าเราล่ะเราก็เสียใจเหมือนกันเราทุกข์ใจเหมือนกันพราะเขามาฆ่าเราเพราะฉะนั้น ทุกคนอย่าเบียดเบียนซึ่งกันละกันเคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันรักกันไว้เพราะเราเกิดมาในโลกต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็ต่างจะตายไปเพราะนั้นอย่าเบียดเบียนซึ่งกันละกันนี่ละสินข้อที่หนึ่งคือใจเขาใจเราใจเร า, ใจ เ, ราใจเขาเอออทินนาธานก็เหมือนกันไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจพอไปขโมยของเขาเขามาขาโมยของเราก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นอย่าขามโมยของเขานะเขามาจะขโมยของเราเคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกัน สินข้อที่สามกาเมสุมิชัยจาราวรมณีลูกเต้าเล้าหลานสามีภรรยาของเขาเขาก็รักสังเวนหวงแหนถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนี่ยสินข้อที่สมข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณียาโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงเขาถ้าเขามาต้มตุ๋นหลอกลวงเราเราก็เสียใจเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน อย่าไปโกหกเขาหลวงพ่อชอบพูดอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นพระบาลีว่านคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีอันนี้หลวงพ่อฟังแล้วซึ้งละเกิดบัางานเถอะก็เห็นเห็นมามากต่อมากแต่พ่นกรล่อนไปกรล่อนมาโกหกไปโกหกมาเนี่ยโดยมากก็จะทําความชั่วอย่างอื่นแถมเข้าไปด้วยไม่รู้เท่าไหร่พอทําเข้าไปแล้วก็โกหกลอยไปเรื่อยหาความเชื่อถือไม่ได้ ไอ้นคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้ๆเนี่ยเพราะฉะนั้นสินข้อที่4ี่เนี่ยไม่ใช่สินธรรมดาเป็นสินที่อันตรายส่วนมากส่วนหนึ่งเหมือนกันแล้วสินข้อที่5สุราเมรยามัชฌะประมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราแล้วก็ขาดสติเมื่อขาดสติทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะมันขาดสติเหมือนกับคนเป็นบ้ามันขาดสติแล้วทำความชั่วได้ฆ่าพอ่อฆ่าแม่ก็ได้ฆ่าใครก็ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะข่าหมูฆ่าไก่เหมือนนฆ่าคนก็ได้เพราะมันขาดสติขโมยของใครก็ได้เพราะมันขาดสติประพฤติผิดในการมละลาบละลวงเออหน้าด้านต่อใครก็ได้เพราะมันขาดสติโกโหกตอแหลกับใครก็ได้เพราะมันขาดสติเอ่อเพราะศินข้อที่หเป็นสินอันตรายข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนาอุบาสกอุบาสิกาผู้อยู่คลองเรือนให้ระมัดระวังไว้ศิน ถ้าธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าถ้าทุกคนมีศีลธรรมประจํากายวาจาของตนแล้วพวกเราจะสงบร่มเย็นเป็นสุขไปณสถานที่ใดความไว้เนื้อเชื่อใจรักเมตตา ก, กันก็มีมากเท่าเ่อพวกเราไปที่ไหนขาดศีลธรรมไปที่ไหนมีแต่คนระแวงแคลงใจก็ยิ่งไปเป็นนักเลงหัวไม้เขาไปแล้วใ น, นเข้าไปในถิ่นใดเขาก็เตรียมพร้อมเพื่อจะรองรับ การประพฤติของของเราแต่ถ้าว่าเราเป็นผู้มีศีลไปที่ไหนเขาสบายอกสบายใจด้วยการทั้งนั้นเพราะนั้นโลกทั้งโลกถ้าหากว่าโลกทั้งโลกอยากจะสงบร่มเย็นเป็นสุขให้ยึดศีลและธรรมของพระพุทธเจ้ามาประพฤติป ฏ, ปฏิบัติโลกทั้งโลกจะร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าหากว่าพวกเราโลกทั้งโลกมองศีลและธรรมของพระพุทธเจ้ามองศีลห้าของพระพุทธเจ้าคนที่เข้าวัดเท่านั้นแหะคนที่ปลดระวังเท่านั้นละ่ะ ไอ้คนที่เข้าวัดเข้าวาเท่านั้นแหละไอ้พวกที่เข้าวัดเข้าวาพวกรักษาศีลเนี่ยพวกไดโนเสาร์ทั้งนั้นนะถ้าหากว่าศีลเป็นของล้าสมัยสังคมมองว่าศีลเป็นของล้าสมัยแล้วมิขสัญญีความเดือดร้อนบุญวายเกิดขึ้นมาแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะโลกขาดศีลธรรมเพราะนั้นศีลธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองโลกเพราะฉนั้นพวกเราอย่ามองข้ามศีลสมาธิปัญญาปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขาร ในหลักของพุทธศาสนาอย่างที่หลวงพ่อได้กลับเออถึงเราจะทําดีขนาดไหนก็เถอนะน้อเออครอบครัวของเราถึงจะมั่นคงขนาดไหนกเนะ็เถอะเน้อจะมั่งมีสีสุขขนาดไหนก็เถอนะเน้ออีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องทิ้งทั้งหมดอันนี้คือเป็นภาษาใจของเราต้องเราต้องคิดไว้อยู่เสมอแล้วพราะนั้นเราจะตั้งอยู่ในความประมาทเนะ้อตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกเ อ, อที่พวกพุทธเจ้าที่ตั้นได้ตัดสู้ทำในโคลนต้นโพน่ะที่เง่าต้นโพนวันเดือนหกเพน ปุกเพยในวาสานุสติยานและลึกชาติผลหลังได้อเนจญาณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพยากรณ์ตรัสไปแล้วทำที่ท่านตัดรู้ในคืนวันนั้นในสามอย่างปุกเพยในวาสานุสติยานและลึกชาติผลหลังได้จุตูปะปาตายานการจุดติของสัตว์ทั้งหลายคือดวงวิญญาณมาจากไหนมาเกิดที่ไหนไปที่ไหนเนีย่ยว่าจุตูปปาตายานอาสาวกยญาณ ยานอย่างรู้ว่าใจของพระองค์มีกิเลสราคะโทสะกาจัดเชื้อราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจของพระองค์เป็นพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณ น, นี่แหละเพราะฉนั้นพวกเราให้เชื่อพระพุทธเจ้าอ่ะตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกบาปุลคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงถ้าพวกเราอยากจะรู้ให้นั่งภาวนา ท, ทําจิตให้สงบ ท, ทําจิตให้เป็นหนึ่งอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยนะทำจิตให้เป็นหนึ่งพวกเราจะรู้ได้เด้อ ร่างกายกับใจนั้นเป็นคนละอย่างกันเป็นคนละอันกันไม่ใช่อันเดียวกันเหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างนั้นแหละพวกเราจะแยกออกได้ถ้าจิตสงบแล้วคนขับรถนะมันไม่ตายมันไปหาซื้อรถคันใหม่อีกออกจากรถคันนี้ละรถคันนี้มันพังแล้วมันไปหารถคันอื่นอีกแต่ถ้าว่ามันมีทุนเถิดมันมีเงินโซเฟอร์มีเงินในขณะที่ขับรถแสดงว่ามันก็ทํามาค้าขายมีเงินมีคำทรัพย์สมบัติ พอรถคันนี้พังไปมันก็ไปซื้อรถคันอื่นให้ดีกว่าแต่ถ้าว่ามันขับรถไปมันมีแต่ขี้เกียจขี้ค้านไม่สะแสวงหาเงินถ้ารถคันนั้นพังเข้าไปเอาละท่นี้มันไม่มีอันจะกินท่นนี้มันก็เดินออกจากรถทํำยังไงได้รถมันพังแล้วผลที่สุดก็ น, นั้นแหละไปเป็นหารถจะขี่ไม่ได้ไปเกิดเป็นเป็ดเป็ น, ป น, ป น, ป น, ปนหมูหมากาไก่ไปลวเลยเป็นสัตว์ที่ระชนันตกนรกบกไห ม, หม้ไปเพราะ ในขณะที่ขับรถก็ทําความชั่วไป เ, เห็นหมูหมากาไก่ก็เหยียบด่ไปเห็นคนก็เหยียบคนไป เ, เพราะมันทําความชั่วถึงนั้นจากนั้นกะตกนรกหมกใหม่อันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเป็นมนุษย์มาก็ฆ่าด่ไปป้นดะไปขโมยด่ไปประพฤติผิดในกรมดะไปกินเหล้าด่าไปผลในสุดออกจากมนุษย์ไปแล้วกันนั่นไปตกนรกหมกใหม่ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉาน เ, เพราะเหตุนใดเพราะกลัมคือการกระทํา ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วในหลักของพุทธศานสนาเนี่ยท่านเน้นเรื่องกรรมคือการกระทำ więc, ถ้าว่าเราทำดีถ้าเราทำชั่วแล้วพระเจ้าองค์ไหนก็ประทานพรนให้เราไม่ได้ถ้าเราทำกรรมชั่วแล้วท่านจะประทานพรให้ดีไม่ได้ถ้าเราทำกรรมดีแล้วจะห้ามปามของเราไม่ให้ไปดีไม่ได้กรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะนั้นพวกเรา เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าให้ทําแต่กรรมดีอย่าไปทํากรรมชั่วนะเอ่ออัตังลุกกตังเส้ยโยปัชฌ ะ, ะตปฏิทุ ก, กตังกรรมชั่วอย่าทําเสเลดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผานเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นพวกเราสาธุชนหมู่พระเนนลูกหลานน้องหนุ่งทั้งหลายเมื่อได้ฟังแล้วผมได้พูดเริ่มต้นตั้งแต่ศีล ส, สมาธิปัญญาของฝ่ายพระ จากนั้นก็ได้มาพูดทานศีลภาวนาของฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาก็เห็นว่าพูดมาก็เห็นว่าพอสมควรกับการเวลาโดยอำนาจขุนภาษีรัตนารายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สาเร็จสมความมุ่งมั่ ปรารถนาทุกประการเธอ